เดิ่มแบบมีส ต, ติไม่มีครับเถ้ามีส ต, ติก็จะไม่ดื่ม<ล>นะเป็นยาทำยาทำยาอนะ่ะก็ได้แต่ว่าต้องผสมยาแบบไม่มีสีกินน้ํปตาลกดเลยครับแต่ถ้าเป็นเยาะยาดองเหล้าหรือมีกินเหล้าอะไรนะั่นไม่ได้ครับต้องผสมปริมาณ น, น้อยมากครับแบบสีกินน้ําตาลกดเลยอันนี้ไม่ใช่ว่าจะพาะเหล้านะแม้ ใ ต, ต้ตอนหมักใหม่ๆเนีครับก็ไม่ได้แต่เช่นเข้าเข้าหมักเนี่ยเข้าผ่านขั้นตอนการหมักตอนแรกใช่ไหมแต่มันยังไม่ทําเป็นลาบเข้ามาทำขนมก่อนใช่ไหมครับอันนั้นก็ไม่ได้ครับพรามันเป็นเชื้อสีร่แล้วใช่ไหมครับนี่นะไม่ได้อะไรเพื่อจะพูดถึงสุล่างแล้วก็เมลัยเมลัยก็น้าหมักดองใช่ไหมเอาน้ําผลไม้นะครับเนี่ยหรือตัวผลไม้เองไปหมักไว้นะรัแล้วก็มันเป็นเมลัย ที่ผพ้วายใช่ไหมครับผู้วายนี่ยนะผู้เมรนะครับทีนี้ก็มาดูต้นมันใหญ่นะครับหกร้อยสามสิบอันนี้มาดูต้นมันใหญ่ไหครับต้นมันใหญ่ในเรื่องของภาษากะต่ายภาษากต่ายท่านเป็นเอตัสท่าในด้านเตโชกศิลใช่ไหมภาษากระต่ายนั่งรูกเตโชกศิลนะครับแก่มากนะครับโดยสมัยนั้นพระพุ่ทธเจ้าเสด็จจาริกในเจติยชนบท ได้ทรงพระดำเนินไปทางตำบลบ้านรั้วนาครับคนเลี้ยงโคคนเลี้ยงประสูสัตว์คนชาวนาคนเดินทางในไร่หเห็นว่าพระเจ้ากําลังทรงพระดำเนินมาแต่ไกลทียนะครับหมู่บ้านนั้นนะเขาทํารั้วไว้สวยนะครับเันเรียกว่าบ้านรั้วนาอันนะั้นพัฒนาวติกะอันนะหมู่บ้านบ้านรั้งนาแปลงทีนี้พอะคนพวกนี้ยนะ ได้เลยเห็นมา้าพาเจ้ากําลังทรงพระดำเนินมาแต่ไกลเทียวขั้นแล้วได้กราบม้าพ่ า, พาเจ้าว่าขอพระองค์อย่าได้เสดไปยังท่ามะม่วงเลยพระพุทธเจ้าข้าเพราะที่ท่ามะม่วงมีหน้าอาศัยอยู่ในอันสมชดินเป็นสัตว์มีฤทธิ์เป็นอสสระพิษมีเป็นอสสระพิษมีพิษร้ายมันจะได้ไม่ทําร้ายพระองค์พระพุทธเจ้าข้าความจริงพยานาคเมื่อก่อนนะ่ะเป็นคนธรรมดาแหละใช่ไหมเป็นอะไรนะ เป็นคนพายเรือพาคนไปฆ่าป้าใช่ครับแล้วแกจะเก็บสั่งนะเมื่อพาคนไปถือฝั่งแล้วค่อยเก็บตังะะ่งเราแล้วคนชอบเบี้ยวแกบ่อยใช่ไหมครับและทีหลังแกก็ถูกฆ่าตายได้ยังไงนะเราไม่เข้าใจครับแล้วก็เลยผูกอาฆาตนะผูกอาฆาตพอตายก็เลยเกิดเป็นพยานาขงแถวนั้นนะครับแล้วก็สร้างความลำบากให้ประชาชนนะบรรดานในฝนไม่ตกต้องตามอยูอ่การบ้านนะครับประชาชนก็เลยเดือดร้อน ต้องไปเส้นสูงบูชาอะไรใตไม่ต่อืมแพรก็เลยอาศัยอยูนั้นแหละนะเมื่อเขากราบพูนอย่างนั้นแล้ ว, <c oughs> ลวพระองค์ได้ทรงอุู่ชนีนะครับพระองค์ก็ทรงนิ่งนะแม้ขั้นที่สองแม้ขั้นที่สา ม, ข, สามข้อกราบพูนอ่างั้นนะครับว่าพรงองค์ยได้เสรศจไปยังข้ามมะม่วเลยพ่อมีวัคยานาอันนี้ดุล้ายอยู่นะครับพระองค์ก็ได้นิ่งเดิมค้ามว่าพระเจ้าเศยจาริกโดยลำดับถึงตำบลบ้านรัวงานแล้ว ทราบว่ารงประถมอยู่ณตำบลบ้านรัออ้วงานนั้นครั้งนั้นแล่ท่านพระสักตาเดินทางไปท่ามะม่วงอาสมชนินนะครับคือสมัยก่อนพระสักาตาเนี่ยเป็นประธานพระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยที่พุทธเจ้ายังไม่มีประธานประจำนะครับพระนรนทอยู่ประธานใช่ไหมแต่ก่อนหน้านั้นที่พนนยังไม่ได้เป็นพระองค์ประธานก็ยังพระเถระหลายรูปที่เป็นประธานนะครับก็ยังพระสักาตาอีกองหนึ่งนะ เป็นปัญาบารข่านะครับคณะพระสกสรจายให้ก็เสด็จไปด้วยเจ้าด้วยก็เลยคิดว่าจะไปก่อนนะเพื่อไปเคลียร์พื้นที่อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่พระุธองค์จะเสด็จไปแกก็เลยไปก่อนนะครับไปถึงอาสมของชดินที่พญนะอาศัยอยู่นะครั้งถึงแล้วได้เข้าไปยังโรงบูชาไฟปูหญ้าเครื่องล่างนั่งคุมลังตั้งปาตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้า หน้ามันพอไราเห็นท่านพระสกทะเดินผ่านมาได้เป็นสัตว์ดุร้ายคุ่นเครืองนะครับเหมืหอนว่าโห๊ยกล้เข้ามาที่อยู่เราแล้วเนี่ยมันนี่กันมากเกินไปแล้วนะนะครับงั้นเลยไม่พอใจนะนแสดงนิเดวันนะครับจึงบังหวนควานขึ้นในทันใดแม้ท่านพระสกะทาก็บังหวนควันขึ้นนะครับมันทนความรบหลูไม่ได้จึงพ่นไฟสู้ในทันทีพ่นไฟใส่เลยนะ แม้ท่านพนระสกตะ ก, ก็เข้าเ ต, าเตาโชท่ากระสือสมาบัติบรรลายไฟต้านไฟไว้นะครับสร้างทานไว้ครั้งท่านแต่ว่าไฟของพระสรรังกตจจานุภาพมากกว่าใช่ไหมครับครอบนามเด็ชของพญานาะคพญานาคแห้งครับครั้งท่างครอบนาไฟของหน้านั้นด้วยเตโชกสิทธิ์แล้วเดินผ่านไปทางตะบนบ้านรัน้วนามนั้นส่วนพิมพาา์าพระเจ้าประทับอยู่หน้าตะบนบ้านรัน้วงาม ตามพระบุทธานพิลบแล้วเสด็จไปสู่จาริทางพระนครโกสัมพีผู้บางศพชาวพะนครโกสัมพีได้ทราบข่าวว่าพระคุณเจ้าสังฆาตาได้ต่อสู้กับหน้าผู้อยู่ณตำบลท่ามะม่วงพอลีขึ้นมพภาคเจ้าเสด็าจาริกโดยลำดับถึงพระนครโกสัมพีจึงผู้บางศพชาวพระนครโกสัมพีพาการลักเสด็จพิมพภาคเจ้าแล้วเข้าไปหาท่านพระสังฆาตนะครับ กาบ้าแล้วยืนอยู่หน้าที่คนส่วนข้างหนึ่งเนี่ยคือชาวบ้านก็ดีใจนะที่ว่าพระสังกตะสามารถปราพญานาได้เพราะพญานาทสร้างความเดีร้อยแก่ชาวบ้านครับเขาก็เลยดีใจมากเลยนะก็เลยเข้าไปหาท่านพระสังกัตเนี่ยครับกาบ่าแล้วยืนอยู่หน้าที่คนส่วนข้างหนึ่งแล้วถามท่านว่าท่านขอรับอะไรเป็นของหายาอะไรเป็นของชอบของพระคุณเจ้าพวกกระผมจะจัดของอะไรถวายดี เขาเรื่องสัจจคติใช่ไหมเขาจะถวายอะารนี้ครับเมื่อเขาถามอย่างนั้นแล้วพระเจ้าครีนะครับสอนเข้ามาเลยเห็น <c oughs> <c oughs> ได้กล่าวตอบคํานี้กับกอุบาลส่ว่ามีท่้นต่างหลายสุราใสาสีแดงดังท้าลกพิล่าเนี่ยเป็นของหายากทั้งเป็นของชอบของพวกพระโอ้ข้าชอบสุลานะ <c oughs> <c oughs> ท่านตั้งหลายจงแต่งสุลานั้นถวายเถอนะครับ ครั้งนั้นผู้บาลสงชาวพนักรโกสัมพีได้จะเตรียมสุราสายสีแดงดังท้านุกพิราไว้ทุกๆครัวเรือนนะครับเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นพอเห็นท่านพระสกตะเดินมาบิดเท้าจึงต่างพากันกล่าวเชื้อเชิญว่านี่มนุษย์พระคุณเจ้าสกตะดื่มสุราสายสีแดงดังท้านุกพิราฟเจ้าข้านิมนุษ์พระคุณเจ้าสกตะดื่มสุราใส่สีแดงดังท้านุกพิราฟเจ้าค้า ครันั้นท่พระสกทาได้ดื่มสุราสาสสีแดงดางท้าวนก่ล่างทุกๆครัวเรือนเลยนะครับโอ้ฉลองศรัทธาทุกบ้านเลยนะว่าบ้านสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงเนะี่ยคงจะหน้าแดงอยู่โหหน้าดูแล้วนะครับ <c> ค <oughs> <c oughs> เมื่อจะเดินออกจากเมืองได้ล้มกิ้งอยู่ที่ประตูเมืองครับ <c oughs> ไปไม่ไหวนะฮงโซเซหน้าดูนะคะับล้มที่ประตูเมืองกลอนไม่ถึงวันแล้ว พอดีพี่เมาพ่อเจ้ า, จาเสร็จออกจากมืองพร้อมด้วยวิสุจธ์เป็นอันมากได้ทอดพระเนตเห็นท่านพระสังกัตะิล้มกลิ้งอยู่ที่ประตูาตาเมืองเราดูเสือผ้าท่าน้าะเมาเหล้าล้มกลิ้งอยู่หน้าประตูเมืองอย่างนี้นะนนโอ้ยพระนี่แบบไม่น่าดูนะครับจึงรับสั่งการวิสุทธิทั้งหลายว่าดูสั่อนทสุทธิทั้งหลายพวกเธอจะช่วยกันหาสังกัตติไปครับ <c oughs> ต้องหาไปเลยวิสุทธิเห่านั <c oughs> ้นรับสนองพระบุญธรรหลังแล้ว ถามท่านพ่อสกตะไปสู่อะไรให้นอนถังศีรษะไปถามพิมพภาสเจ้าแต่ท่านพ่อสกตะได้เร่งกลับนอนหันแปลงทั้งสองไปถามนิมพภาสเจ้าท้อมองเลื่อนๆนะลาดับนั้นพมพภาสเจ้ารับสั่งถามพุทั้งหลายว่าดูก่อนมิุตทัางหลายสังฆตมีความเคารพมีความยัเกฑ์แต่ฐามข้อนใช่หรือ ชื่อทั้งหลายถามคุณว่าเป็นดังรับสำหรับพระพุทธเจ้าค่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเออข้อบัตรนี้สถานะมีความเคารพมีความยำเกรงอยฐาคนค้ออยู่หรือข้อนั้นไม่มีในพระพุทธเจ้าค่าเพราะว่าก้าเหนเท้าไปใช่ไหมดูกรพิสูจน์ทั้งหลายสังกัได้ต่อสู้กับหน้าอยู่ที่ตาบลท่ามะม่วงไม่ใช่หรือใช่พระพุทธเจ้าค่า ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเดี๋ยวนี้สกากัะสามารถจะต่อสู้แม้กับมูน้ําได้ดูนะครั <c oughs> ไม่ได้พระ <c oughs> พุทธเจ้าฆ่ามูน้ําเป็นมูที่ไม่มีพิษใช่ไหมยต่ <c oughs> ยก็สู้ไม่ได้หมดสภาพนั้นนะครับ <c oughs> ดูก่อนพิสูจทั้งหลายน้ําที่ดื่มเข้าไปแล้วถึงวิสันดีภ้าเนี่ยสลบสลายไปนี้นะนั้นควรดื่มหรือไม่ไม่ควรดื่มพระพุทธเจ้าฆ่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย การกระทำของสกตะไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่สิ่ของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทําฉชนัยชาติตะจึงได้ดื่มนะที่ทําผู้ดื่มให้เมาเล่าการกระทำของสกตะนั่นไม่เบไม่เป็นไปผู้ความเลื่อมใสของชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือผู้ความเลื่อมใสยิ่งของชนที่เลื่อมใสแล้วนะนครับและพระองค์ก็มาหยาดสิกขาบทนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยพระองไม่แต่ว่าโมฆะบมรุษนะเพราะว่ากษากตะท่านได้ ได้ฌานใชหครับได้ฌานสมาบัติได้ิญญาครับตอนนี้รีคนเสื่อมหมดแล้วนะตอนที่มองนี่ม่เนหอเนี่ยแต่ธรามเนียมของคําบหลุดพ้นผู้ได้ฌานครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้บมรลุนะถ้ามรรลุก็มีการเมาเล่ารัถ้ามรรลุเป็นพระอริยบุคคลแล้วอย่างนี้นะจะมมีการเมาเล่านะครับเพราะต้บอกว่างนาเนี่ยถือแม้ให้พระอริยดื่มเนี่ยอาเล่านะ คือว่าข้าวเหล้าเนี่ยคือผสมน้ํานมใช่ไหมครับผสมไว้นะแล้วพระอริยดื่มเนี่ยเหล้าจะไม่เข้าไปในปางท่านใช่ไหมครับจะมีแต่น้ำนมที่เข้าไปนะเหล้าก็จะกระฉอออกนะครับนี่เป็นธรรมดาของพระอริยานะเหล้าจะไม่เข้าไปลออําคอครับเป็นความประจังนะ <c oughs> <c oughs> ตัว น, นี้เราก็อธิบายถึงสุรานะสุลาที่ทําด้วยแป้งที่ทําด้วยขนมทําด้วยข้าวสุก ที่หมักสาเล่าสุดาผสมด้วยเครื่องปรงุงนะครับสมัยนี้เล่าเนี่ยเขาเขาใช้อะไรทาครับก็ข้าวครับข้าวใช่ไหมเอ้ผมเคยทำนะมือสมัยที่บ้านคือเล่าสาโทใช่ไหมพี่าบ้านรับทากันนะเอ้ทมาจากข้าวเหนียวข้าวข้าวเหนียวแลวก็ไปหมักใส่โองใช่ไหมครับใส่อะไรนะใช่ไหมแล้วก็ต้องใส่เชื้อ้วยใชยไใ่ไหมครับต้องมีเชื้อเลอ เขาเรียกว่าลูกแป้งใช่หมครับลูแป้งเชื้อนะข้าวเหนียวเขาเอาอันที่เป็นข้าวสารใช่ไหมครับข้าวเหนียวข้าวสา่เออข้าวเหนียวเป็นหุ่นก่อนข้าวเหนียวเป็นหุ่นก่อนเป็นหุ่นก่อนแล้วก็เอาเอาเป็นละลายน้หรอเาอามมาแบบทให้ะียแล้วก็คุข้าเนีอคุกอะไรนี่ครับเมนแม่ครับแล้วก็หมักทิ้งไว้เลยใช่มครับไมนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนย่นนน่ มันได้เป็นเล้าอ่ะมีได้แต่ก็นาาต้านานตานายเป็นนาเาตองหรามันต้องเหลายมันคืออันมีมีการไอมีการนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาสารพ่อไอนามานั่นไอเห้ายุลงคนเหมือนกับองค์พระอาจารย์อ๋อครับครับอืมอันนี้เขาเข้าหมายเฉยแต่เข้าหมายนี่ก็ไม่ได้เพราะว่า มันใส่เชื้อแป้งไปแล้วใช่ไหมครับเชื้อเหล่านะมันเป็นเยอะเหมือนการไปทำเหล้าจริงนะครับก็เป็นอันนี้เขาเรียกว่าเหล่ากลั่นใช่ไหมครับเข้าไปกลั่นไปต้มน้ําร้อนกอนใช่ไหมแล้วก็กลั่นเอาน้ำที่มันหยดเป็นไอ้น้ำหยดออกมาครับเนี่ยเหล่ากลั่นเลยครับเข้ามานะครับส่วนเมรัยเดี๋ยวบอกาด้วยแป้งก็ได้นะด้วยขนมยิ่งน่าเลย ด้วยข้าวสูตรข้าวเหนียวที่ว่าด้วยสาเล่าด้วยเครื่องปุงครับเมลัยนี้ได้แก่น้ำดองครับน้ำดองดอกไม้น้ำดองผลไม้น้ำดองน้ำพึ่งน้ำดองน้ำอ้อยงบน้ำดองที่ผสมด้วยเครื่องปรุงนะครับเดือดโดยที่สุดแม้ด้วยปลายหญ้าเท้าต้องบาดปลายตีจ้างตัว น, นี้ให้ฟังก่อนนะทีนี้นท่าจะอธิบายถึงถึงเมลัยนะครับสุราผมไม่ยากนะ อขาเสนอใ้้ก็อธิบายนอธิบายเมลัยความเป็นยังไงนะครับเมลัยที่เขาทาด้วยรถแห่งดอกมะซางกเป็นต้นเข้าสู่ผแต่ว่าเข้าไอดอกมะซากไปคั้นใช่ไหมเพราะว่าดอกมะซางมาทําเป็นน้ํำปาน้ําไม่ได้เลยเป็นเมลัยใช่ไห้ครับไปคั้นเอาน้ํามาแล้วก็น้ําไปหมักอะไรนะนะครับมก็จะเป็นเมลัยขึ้นมาเมลัยที่เขาคั้นผลลุ่มจันทรเป็นต้นนะครับใช่ไหมครับ หน้าหกรอสามสิบห้านะครับเป็นต้นแล้วทำด้วยรถแห่งผลลุ่มจันเป็นต้นนั้นชื่อว่าพลาสว่าใช้ผลลุ่มจันหรืออังหมุนนะที่อันนี้พวกวายใช่ไหมครับเขาต้องคั้นน้าออกมาก่อนรูปปั้นรูปไปหมักข้งลูกเลยบางอย่างไปหมักข้งลูกเลยก็ได้งครับูกากาเป็นตัวทาไหรัเท่าไหรอันนี้เอาวายวายหมุนยันนะวายครับวายมเห็นในสารดีครับ โอ้ยเยบเลยใช่ไหมค ร, หรับเอ๋อขาต้องคันเอาหน้าออกมาใช่ไหมมาทั้ like ทงเอ๋อทังเร่ๆงั้นเลยอ๋อครับไว้เท้าหเหยียบกันกเลยนะอ่อออาก็คอกออกคลอาออกออครับเลแต่นะแล้วก็ไปนะ่เปหมักไว้อืมอืมครับอย่างนี้นะ<ๆ>เนี่ยช่วงพราสวะเมรัยที่เขาทําพื่อลหผลลุงจันหรืออู๋งไงเป็นต้นช่วงมัทวาสวะนะครับ มันจะมีที่เอาไปหมักทั้งลูกก็พวกน้ําเอนไซม์ออโซนนะนั่นเข้าไปหมักทั้งลูกใช่ไหมครับเอาลูกอะไรนุ่งยอนะไปหมักนะครับมันก็ออกมาไม่เป็นเมลายนะเข้าออมาฉันเป็นยานะครับเป็นยาอะไรนะยาที่ปรับสมดุลในร่างกายนะครับไปหมักไ ว, นไว้นะหมอกไว้กี่เดือนอ่ะและแต่นะครับแต่มันก็ออกมาไม่ไม่ถึงกับเป็นเมลัยนะนั่นนะครับหรือล้วก็ไม่หมอกนะ มีผักเสื or, right. e like mm ้อชาทําดินของอยู่ลูกยอเนี่ยแหละก็ใส่ในขวดน้ำขวดใหญ่ขวดใช่ครับต้นรุ้งทำดินไงครับมันก็น้ำนู่นน่ะเข้าธรรมดานครซิมมันได้หลายอย่างเนี้ยผลไม้เนี่ยชอบไปหมักหมังไว้นะบางทีเข้าผลแต่ต้องล้าสอาดเสฉันนะเสดทำล่กยอแลวก็มันจะมีอะไรเนี่ยลูกยอมีน้าแล้วก็มีกากน้าตาล นู่นตาทรายแดงใส่เข้าไปนะแล้วก็ปิดฝาให้ดีนะเอาอะไรมามัดฝาไว้นะผ้พาคุมมัดฝ า, าปิดทิ้งไว้นะครับแล้วม่อก่อตันมาเป็นน้ำหมักหุ่ยอนะ้เป็นทราในาโอโซนจับฉัต้อวคลุมขอบเพื่อ้คถ้าไม่ไม่ต้องใช่ไหมต้อ ง, องนะเป็นไหมนัน่งนั่งนั่ เขาใช้ลูกยอเขาใชุ้ณไม้อื่ีก็ได้ไม่จำกัดเวาไม่จำกัดเวลาฉันเป็นยางับครับเพราะฉันแต่น้าไม่ได้ฉันนะครับฉันน้ํมน้้งอะไรนะฉันน้ึ่งรู้สึกฉันน้าพึ่งไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะได้เขาเอามันแพงไงเสียเขาใช้กาดน้ำตาลนะครับน่าจะได้น้ำตาลก็ได้มนแล้วแต่คุณภาพของพึ่งง ถ้าที่ใครฉันนะถ้าหมักนานมากๆครับบางทีมันก็คล้ายมีไรนะอันนั้นสงสัยแนละ้วไม่กล้าฉันนะครับถ้าเขาหมั ی, มกธรรมดาเนี่ยเนีมันก็ไม่เป็นเมีัยนะครับอันนั้นเขาทํายังไงไม่รู้เก็บไว้นานมากนะครับมันจะเริ่มออกกลิ่นมีัยอย่างนี้นะมันจะซาๆคล้ า, า, ายกับเล่าอะไรนะพอเข้าปากครับมันจะบาดคอหน่อยนะอันนั้นนะแต่าธรรมดานี้ไม่เป็ น, นครับไม่บาดเลยอย่างนี้นะ แล้วก็เขาทำเป็นน้ำพึ่งก็มีนะครับทำเป็นน้ำอ้อยสดก็มีถึงต้น mm hmm. แต่ความทีเราสังเกตนะ้ำผลไม้ธรรมดานะบางอย่างถ้าทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้วันต่อไปนะ้ำผลไม้นะบางอย่างมันไม่เสียนะครับมันจะร่วงกลายเป็นโอโซนนะครับมันเริ่มจะมีกลิ่นนะถ้าเราหมักทิ้งมนนานานๆเนะี่ยมันเป็นเมนไลน์ได้เลยครับนี mm ่น hmm. น้ำผลไม้ธรรมดาเทียมพุ่เมะเร็งทำนะเฉพาะบางอย่างนะแต่บางอย่างมันจะเน่าเสียไปเลย ไม่หยาดไม่นอกนะครับแต่ก็ต้องเติมน้ําตาลนอะอะไรน้าําตาลพวกน้ําตาลใส่เข้าไปเป็นตัวที่จุลินทรีหรือ่ให้ตัวนั้นมันกินนะครับมิะนัมันจะเสียนะแต่นี้เป็นเมลัยนะครับเนี่ยงไม่ใช่แล้วก็สุลานะอันนี้แค่นี้ก็แล้วกันะนะครับต่อไปนะครับเมื่อก่อนนี้ก็สงสัยกันนะถ้าสงสัยก็ไม่ต้องสงสัยก็ไม่ต้องฉันนะจะแม่บอกว่าให้การ ง, งโอโซนใช่ไหมไม่ถึง <ละ S 1> เป็นไะมันมันดูให้ค้ายกับวิธีทำเลยมันแค<น><น>่ค้านอันนี้นะเพราะมันมีอันหนึ่งที่เขาบอกว่ามีราที่เขาเขาทำด้วยรถชาติแห่งผลลุกจันอันนี้ไม่ได้พูดถึงแบบว่าเอาไปค้านเลยนะ ม, มันจะมีที่ค้านเอาน้ำไปทำนะเหมือนทํำพวกวายที่เขาขาน้ํำไปนะ ไมใช่เราน้ากับหน้าทิ้งไว้ใช่ไหมแต่ยานไม่ได้คั้นเอาทั้งลูกเลยไปหมากไว้เลยใช่ไหมครับมันก็อยู่เหมือนการความ น, นะโอโซนเนี่ยเอาลูกยอดทั้งลูกเลยไปหมาดไว้นะแล้วก็ได้นาออกมาใช่ไหมครับอย่างนั้นนะแต่ว่ไม่ได้สายเชื้ อ, <c oughs> อไม่มีเชื้อนะ <c oughs> ก็เคยถามกันารย์แล้วหนว่าไม่ไม่เป็นนะไม่เป็นครับเพราะมันไม่ออกมาเป็นมีไหลนะแต่อ่างหูเนี่ยมันออกมาเป็นใช่ไหมครับเข้าหมาไม่นานนะอ่างหูไม่เป็น ข้ที่หกว่าที่หกสุราปานาวัอธิบายสุราปานาศิกขาบท น, นะครับพึงสร้สางคาทิบายศิขาบทที่หนึ่งแห่งสุราปานาวัต่อไปคำที่บางสั้นนะในคําว่าสุราเมระยะปานีน้ําเมาที่เขาทําด้วยเชื้อแป้งเป็นต้นชื่อว่าสุราครับน้ําดองที่ทําด้วยดอกไม้เป็นต้นชื่อว่าเมรัยเนี่ยนะ ทั้งสุราและเมลายนั้นเมื่อพิสูจดืดูแม้ด้วยปลายยาคาตั้งแต่เป็นพืชคือตั้นตอนหมักใหม่ๆเลยนะต้อง บ, บัดปลายจิตตีทุกๆครั้งที่ดึงนะครับถ้าโอโซนก็ดูให้ดีนะมันสามารถจะหมักให้กลายเป็นวายขึ้นมาได้หรือเปล่าถ้าสามารถหมักให้กลายเป็นวายขึ้นมาได้นะมันก็ไม่ควรตั้งแต่ตั้งแต่เชื่อนะครับเพราะเราบอกว่าเนี่ยตั้งแต่ตอนไปหมักใหม่ๆเลยนะมันก็ไม่ได้นะแล้วตั้งที่มันยังไม่ทันเป็นนะใช่ไหมครับ เมีไดเข้าหมางหรือไม่ทันเป็นวายนี่ยแต่ต่อไปมันจะเป็นได้ น, นะครับอันนี้ก็ไม่ได้คนไปถึงก็ต้องแบบไปตีทุกๆครั้งที่ดื่นะครับอันนี้ก็เหตุเกิดได้ประเพลนอาบอัติค้าบทนี้คุณพระพ่างเจ้าทรงมาลบกสัการะเพรละในมันงโคสมทีทรงบัญญัติไว้แล้วเพราะเหตุคือการดื่มน้ำหมองนะครับ <c oughs> เป็นสาสนาบัญญัติพิสุนีก็มีนะครับ อนาติกาไม่เกี่ยวกับการใช้ติกาใบีนะครับไปน้ําเมาเข้าใจสงสัยพันติดดื่มเข้าไปต้องอาบัตทั้งนั้นนะครับก็ไม่ใช่น้ําเมาสําคัญว่าเป็นน้าเมาหรือมีความสงสัยอันนี้ต้องอาบัตทุกบนะครับเอไวนะอนาบัต น, นะครับพิสูจไม่ต้องอาบัตเมื่อไม่ใช่น้ําเมาสําคัญว่าไม่ใช่น้ําเมาใช่ไหมมันจะมียา บ, บางอย่างนะ เขาเรียกว่ายาอะไร เ, เนี่ยนี่พูดถึงนะครับดื่มยานองโลนะโสวีละกะหรือยาสุดตากนะครับที่ไม่ใช่น้ําเมาแต่มีสีกี่ลดค้ายน้ำหมองใช่ไหมยาดองโลนะโศวีละกะใช่ไหมนะี่ที่ว่าเข้าใจาอะไรนะพวกข้าวใช่ไหมครับธัญชาตินนะพวกข้าวพวกถั่วพวกอะไรใช่ไหมใส่เข้าไปมีปลามีเนื้ออะไรด้วยนะ ใส่เข la um, ้าไปหลาอย่างเลยนี ade, yes. so, mm. uk, ่รับแล้วก็หมักทิ้งไว้นะมังก็ไปฝังไว้ในดินใช่ไหมไ้่ไปทำอะไรใครทำเขาไม่ทำตอนนี้ยังอยู่ใช่ไหมอ๋อทันยิชานเจ็ดอย่างใช่ไหมอืมครับ หนออต้นไม้ครับตามเลมใส่หน่อไม้เข้าไปด้วยใส่หน่อไม้เรอมเต๊กสเต๊กเนี่ยใส่ผลไม้ก็ได้อ๋อครับมีน้ำตาใส่น้ำตาไม่น้ำตาไม่ใส่อ๋อครับ นี <Poss> uh, ่ออ um. <1. S 1> ๋อครับไ้นันต่อผ้าเวลามันตกอ่ะนี่มันตกนะครับมันจะมีตีเมือนต้น้าีเมือรทหนึ่งนันต้นว่าว่าคครับบางทีแค่หนแค่ไหนแค่ไน้อรีแค่ผมบอกนะแครีออฟแ่เมื่อวันว่าเมื่อวันว่าว่าเมื่อรูปว่าด้วความรี อ๋อแต่ว่าไอ้ตอนมันจะมีหนาใช่ไหมหนาแ้แหลมหรือเปล่าผลไม้นั่นใช่ไหมครับอ๋อสีน้ำนะจะสีออกคล้ายๆกับน้ำลูกว่านเมื่อเมื่อสีลูกว่านออน้ำแล้วแหลงว่ามันโตแล้วอ๋อครมันมีเรื่องปีสุแล้ว่านไปีตามปี ก็สามปีมันต้องเป็นน้ำอย่างนั้นเลยอ๋อสามปีครับเป็นย า, ารักษาโรคอย่างดีนะตรองเรือนโรคอะไรก็ได้นะี่นบอกนะครับที่ในไรในปลาที่ข้าข้ามนุษย์ไงค่าวดื่มายาใช่ไหม แล้วก็ตายมันจะมียาจุดยานิษฐานถ้าก็จะพูดถึงว่าใสอะไรเข้าไปบ้างครับอันนี้อันนี้ได้ครับยาชนิดน้รับครับอ๋อเหมือนเล่าเลยใช่ไหมได้กินได้รสอะไรคล้ายเล่าเลยใช่ไหมดื่มเขก็ไปบาดคอเลยนะออมแต่ไม่เมาถึ่ก็ไม่เมาครับ นี่บอว่ามีสีกินรดค้ายน้ำมอวแต่ไม่ใช่น้ำมอวนะครับอันนี้ดื่มได้เป็นยาแก้โรคนะชนต้องหลายใส่น้ำมอว์เล็กน้อยเพื่อจะดับกลิ่นคาวแล้วทาการแกงเป็นต้นนะครับบางทีสูตรคนจีนเขาจะใส่เล่าเข้าไปนะดับกลิ่นคาวอาหารหรือว่ามันทีก็เพื่อเพิ่มรสชาตินะอาหารคนจีนมันกินได้อาห า, า, หาใส่เนะล่ารดดีแต่ว่ามันไม่ออกสีกินรดนนะเขาจะไม่ใส่มากนะครับ ดื่มน้ำแกงเป็นต้นที่เข้าใส่เหล้าลงไปเล็กน้อยเพื่อจะดับกลิ่นคาวเนี่ยได้นะครับหลายอย่างจอบอกมาอะไรเนี่ยที่เขาใส่เหล้านะครับน้ํำมานที่เจียวในแกงเจียวในเนื้อเจียวลงในน้ํามันนะครับอันนี้ก็ไม่ไหลนะรนะดื่มยาอลิถา น, นครับยาดอกอลิถานที่เ้าเอาน้ํามาถามป้อมเป็นต้นทําไว้ซึ่งคล้ายน้ําำมันแต่ไม่ใช่น้ำมันนะครับแรกไปสูบบ้างเป็นต้นก็ไม่ต้องอาบัด ต้องบัตรนะคองค์อาร์บออาบสิกาบทนี้มีองค์สองเหล่านี้คือหนึ่งเป็นน้ำเมาสองดื่มน้ำเมานั้นนะครับแค่องค์สองเนาจะรู้ไม่รู้กแล้วแต่นะเมื่อครบองค์ก็ต้องบัตไปตีในสิกาบทนี้นะครับสมุทามเป็นต้นเหมือนกับเอละกะโลมาสิกาบทกายจิตกายกายจิตนะครับตานตาสิกาบทนี้เป็นโลกาวัชชะอกุศสลจิตมีเวหนาสามแหล่ ไม่รู้ก็ไม่คนครับ ผ, ผมคิดว่าโลกกับวัชชาคืออะอตอนนี้นะเขียนบาลีไว้ให้ข้างล่างนะครับในสิครับวันนี้เป็นอจิตตกาเพราะความไม่รู้วัตถุนะครับแม้เราไม่รู้ว่ามันเป็นเหล้าแต่ถ้าดื่มเข้าไปก็ต้องอาบัตมันก็เลยเป็นอจิตตกานะครับเป็นโลกกับวัชชานะครับเพราะว่าบุคคลจะพึงดื่มด้วยกุศลจิตอย่างเดียวนะครับ ถึงตอนแรกไม่รู้แต่พอเข้าป่าแล้วมันก็ต้องรู้ใช่ไหม <อะ S 1> ถ้ายังดิบเข้าไปก็จะดิบด้วยกุศลอย่างเดียวครับอันะะนี้นะเพราะนันจิตเป็นโลกรวบวชานะครั บ, บครับครับ น, น, นอนหลับแล้วก็เกาะในป่าเราใช่ไหมอ๋อตอนนั้นตอนนั้นไม่มีกุศลตอนนั้นเป็นลายพญากตานมันจะต้องตื่นหรือเปล่า เวลาเขาเกาะเข้าไปนะ่ะไม่รู้เรื่องใช่ไหมข้าวแล้วเกาะเข้าปครับ่าแต่นี่แต่นี่นะท่าอธิบายอย่างนี้เลครับเป็นโลกาวัชชะนะนยครับนี่นะสามนี่นะสุเมียนเขาบอกว่าอกุสเลเนวะนะครับปาตับพยาตายะโลกาวัชังเป็นโลกาวัชชะเพราะบุคคลจะพึงดื้อด้วยอกุศเลจิตเท่านะไอ่นะ ท่านทบางนะครับในดิการเขาเป็นจิตตการด้วยนะครับมีอสิคขาบทนี้ er นะที่แป็จิตตะการแล้วก็ลงเป็นโลกกวัชชะส่วนใหญ่เป็นจิตตการสัญญเป็นปนณิทิวชะใช่ไหมที่มาคู่กันโลกกวัชชะจะมาคู่จิตตะการใช่ไหมครับส่วนัญญามีอสิขาบทนี้นะครับเป็นจิตตกาแต่ก็เป็นโลกกวัชชะนะครับแต่ถ้าเราไม่เลี่ยวๆนะนันก็ต้องอบำบั่ดีเแา้วต้องอบำ แต่เอาจิต น, นี้ระบุว่าเป็นอคติสนัจิต น, นะอันนี้นะนะแสดงว่าก็ต้องรู้ตัวขึ้นมานะนะบจบการที่บายจุลาปานสิกขาบทจบ น, นะครับข้อนี้ไม่ยากนะครับแต่ว่าถ้าไอที่เข้าจีรน้ําแกงเป็นต้นนะถ้าเห็นกับออกสีกลิ่นรดนี้ไม่ได้นะครับมันจะมียาดองมางอย่างเป็นยานดองเล่าใช่ไหม เขาใส่เหล้าจนแบบเราได้สีขินรดนี้ไม่ได้เลยฉันไม่ได้นะครับหรือที่เขาพยายามจะทํากันเนะ่ยอายาอะไรว่าว่าแกงกาดได้นะแต่ต้องใส่เหล้าเข้าไปมันออกกลิ่นเลยนะครับอันนั้นไม่ได้ออกกลิ่นออกรดนั้นไม่ได้นะครับต้องใส่คนนี้มาไม่ออกสีขินดรดนี่เขาอาหารไทยเนะี่ยเอาไก่อบเหล้าะครัไก่อบเหล้าออกกลิ่นเลยกลิ่นเหล้าเลยนะครับนั่นเลยไม่ได้ถ้าก็ไปฉินี่ไม่ได้ แต่ผมเคยกินน oh ักลอยโอเโหเจ้าว้เจ e hmm. ้าลอยเจ้าลอเก็งับขาวอันนี้คือหลายเราจะไปข่าวข่าวดักินข้าใช้เขาใช่ไม่เยอะหรอเราไปนะครับต่อไปก็ประมาอยู่บทไหนจบข่าวจบข้อสั้นะ ตัวกินเล่าสีกินเล่าก้ไม่ปักกบแตาชเราแกล้เลยออกมไปในเจลน้กิน่ัเหมือนกันอ๋อครับเล่าสีกินเล่าที่เขา็ทั้งหมดเหมือนต้องไม่ออกเลยครับใช่ใช่ครับอันนี้ไม่ต้องหาบัครับเขาใส่แค่หยดนิดเดียวหน่ะหรือว่าหน่อยเดียวมันไม่ออกสีกินเล่าเราไม่รู้เลยใช่ไหมครับอันนี้ก็ไม่ต้องอาบัดครับอันนี้ก็เจือในในพวกนี้นะเจือในพวกนี้นะครับหรือว่าเจือในยา ต้องออกสีกินนั่นเลยไม่ออกสีกินนันแตแ่ถ้าเกิดทำไม่มาได้ก็ไม่กไดม้าต้องไม่มาวอีทอ <c oughs> นเสร็ลปริมาณมันน้อยมากนะมนไม่มาหรอกไม่ ม, มไม่มาวนะทอนรของเรามันเป็นยังไงมันค่อยบาดคอ <c oughs> ใครเคยฉันไหม <c oughs> ตอนเป็นเด็กตอนที่ไม่บวชนะชาเตอตี้่ยมันทงานไม่ได้ กินไปได้หมุนเลยชามุนเลยกินจนไปไดมุลมันเป็นค่านิยมที่ผิดของคนเรานะ่ถ้าที่เป็นสิ่งที่มีดีก็กินกันครับพอกินแล้วก็ติดตอนแรก จ, จะไม่รสึกเท่าไหร่นะแต่พอถึงก็จะอร่อยดีเหมือนกันทีนี้พอติดนี่ก็ลำบากเลครับเสียซ้ํานะเกิออดหลายอย่างครับ พอใจให้เสิมแล้วก็เปลี่ยนให้เกิด ก, การทดลองวิวัฒนาการใช่รไผมเขาชอบงานอะไรขาดเงนินครือที่ผมเคยฉันนะตอนตอนตนั้นเป็นเนยนะครับรู้สึกเป็นอาหารจีนอาหารมันไ่ คนจีนเขาทาเป็นร้านโต้ล่กเลยนะครับผมก็ไม่รู้เรื่องอารมณ์ขึ้นหรือยังก็ยังไม่รู้ เ, เ <c oughs> ไปฉันแต่ช้าเลยบัทุ่งบัวนะแล้วก็พาไปฉันครับและเคยไปเจอร้านว่าร้านโตล่งอยู่แหละเขายไม่ปิดนะาะเราทาแต่ช้านะครับแล้วเคยเห็นรู้สึกว่าเขาใส่เหล่าเข้าไปด้วยตอนนั้นอาหารเป็นอ้าข้าวค้าวข้าวขา้าวข้าวข้าวข้าวข้าวข้าวข้ข้าวขา้ เพราะถ้าใครชานมาเจ้พ่อร้านนั้นแหะที่อร่อยที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็คไม่เคยเจออีกเลยพ่อร้านนั่นแกใส่เล่าเข้าไปอ้เพราแกใส่เล่าไปหน่อยนะเวลาเราชานก็ไม่รู้สึกค่ับเรู้สึกบอรสชาติอาหารมันดีมากอย่างเงี้ยแต่พอไปชานชานที่ร้านอื่นนะก็ไม่เคยเห็นได้รสชาตินี้เลยนะครับนี่ทำให้รสชาติเปลี่ยนครับมันจะมีผลกับประษาดินหรือว่าอะไรของเรานะอืนทำให้รู้สึกอย่างนั้นนะครับ